บุกทูเก้าสิบสามนวดูอนุประโยคใช้เชื่อมจ ملات วอบสบอา์าฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ มัน nem มีดอนัมอโยอูมารอดูสตอรฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่มัน nem มีดอนัมอโยอูเบร์มีเกิดฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ไมัน nem มีดอนัมอโยอูเบมันโทรศัพท์มีคนดดเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ อโยอูมารอดูสตอรดัตเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้อโยอูแบรมียาร์ ด, ดัเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้อโยอูเบมันแซงคอฮัดดัตดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม มันอาจขอดำสูอลมีคนน้ออยาอูแบบมันเฟก์มีคนอ่ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมมันอสจขอดาสูอลมีคนน้ำออยาอูแค่ د สดียารืรอดอร่ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกมันอาจขอดำสูอลมีคนน้ออยาอูดูรูมีกุยอ่เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า อโยอูเบืมันเฟกมีคนนัดเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอโยอูเฟรดีดีเยริโรดอดเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้อโยอูบอกกับยตรอมิงกูยาดฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่มันเตอร์ดีดดาร์ม์คืออโยอูมาราววาเกนดูสตาระ ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่เขาจะชอบฉันจริงจังไหมเขาจะชอบฉันจริงจังไหม เขาจะเขียนมาหาฉันไหมมนเขาจะแต่งงานกับฉันไหมมี آ